สุดท้ายของปีพ้นจากวันนี้ไปนะก็ขึ้นปีใหม่ต้วงวันสุดท้ายของปีแล้วก็วันขึ้นปีใหม่ก็เป็นวันที่ผู้คนทั้งหลายรอคอยเรียกว่าคนทั้งโลกเลยนะรอคอยสองวันนี้แต่ว่ารอคอยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันส่วนใหญ่รอคอยวันนี้เนี่ยก็เพื่อได้เฉลิมฉลอง และเมื่อเฉลิมฉลองก็หมายถึงการที่ได้มีความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการดื่มการกินการเที่ยวหรือว่าการได้แลกเปลี่ยนของขวัญกันหลายคนก็รอวันนีนะ้เพื่อจะได้ไปเที่ยวได้ไปยังสถานที่ที่ น่าตื่นตาตื่นใจให้เป็นประสบการณ์พิเศษนะของชีวิตบางคนเนี่ยรอคอยวันนี้ตั้งแต่โน่น เ, นเดือนกุมภาแล้วถึงเดือนกุมภาก็ต้องนาต่งตางรอคอยว่าเมื่อไรจะถึงสามสเธันวาแล้วก็หนึ่งมกราสักีเพราะว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ใครๆก็ปรารถนา บางคนอาจจะไม่ได้ปรารถนาที่จะได้เที่ยวได้สนุกสนานได้เฉลิมฉลองด้วยตัวเองแต่ก็ชอบบรรยากาศของช่วงนี้นที่เราเข้าเทศกาลแห่งความสุขเพราะว่าผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสเห็นผู้คนยิ้มแย้มแจ่มจใส อารมณ์เบิกบานอยู่รอบตัวเนี่ยธรรมชาติของเราก็พลอยเบิกบานไปด้วยพอสิ่งแวดล้อมของผู้คนนะเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะของคนนะจำนวนหนึ่งนะ ที่รอคอยนวันเรียกว่าวันสิ้นปีแล้วก็วันปีใหม่และพอถึงเรื่องเรื่องเรื่องการเฉลิมฉลองก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่บางคนก็รอคอยวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้ทำสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง ไม่ใช่เป็นการเที่ยวไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลองแต่เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองเช่นการทำบุญการปฏิบัติธรรมเจริญสติจเจริญสมาธิภาวนาหรือว่าสวมดมนต์ข้ามปี นั่นจึงกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ผู้คนรอคอยแล้วก็นับวันนับวันถอยหลังเดีย๋ยวนี้การ count down หรือการนับถอยหลังนี้ก็กลายเป็นธรรมเนียมของผู้คนไปแล้วพยายามที่จะอยู่ให้ถึงเที่ยงคืนเพื่อได้เป็นปัจจัยยาณของการเปลี่ยนศักราชใหม่แล้วก็จะได้ ลิงโลดดีใจมีการจุดพลุดอกไม้ไฟไม่ใช่แค่รอคอยวันขึ้นปีใหม่หรือศักราใหม่อย่างเดียวนะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความหวังด้วยหวัง อยากเห็นปีใหม่นะเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ตัวเองได้พบสิ่งดีๆในชีวิตและเมื่อพูดถึงการคาดหวังปรารถนาให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีนะของชีวิตเนี่ยหลายคนก็ คาดหวังว่าอยากให้เศรษฐกิจมันดีนะทั้งเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของโลกมีความเชื่อว่านะถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีการเมืองสงบนะปีนี้ก็จะเป็นปีใหม่ก็จะเป็นปีที่ดีหรือว่าได้มี ในงานที่ดีมีโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจในการประกอบอาชีพรวมทั้งนะการที่ฟ้านี่เปิดนะพวกเราก็เรียกว่า3ปีที่ผ่านมาก็อยู่ภายใต้นะการ ควบคุมมาตร ก, การที่เข้มงวดเพราะการแพร่ระบาดของโควิดแลวตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วในระดับหนึ่งเราก็มีความหวังนะว่าปีนี้จะดีกว่า ป, ปีใหม่จะดีกว่าปีนี้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว แล้วก็หวังว่ามันจะดีกว่าปีก่อนๆเพราะเราก็จะมีอิสระเสรีในการที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ในประเทศนะแต่ว่ารุดไปต่างประเทศหลายคนก็อันมานานอาการที่มีโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ปีใหม่เป็นปีที่ดี แต่บางคนก็ไม่แน่ใจนะว่าปีใหม่เนี่ยจะเป็นปีที่ดีหรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจทาท่าว่าจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะแย่กว่าปีที่แล้วหรือปีนี้บางคนก็มีความไม่แน่ใจเกี่ยวกองการงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำอยู่ ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีหรือเปล่าที่จริงเนี่ยปีใหม่เนี่ยจะดีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เรานะมันไม่อยู่ที่รัฐบาลไม่อยู่ที่เศรษฐกิจโลกหรือการเมืองในประเทศไม่ได้อยู่ที่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ําปีใหม่จะดีเนี่ยหรือไม่อยู่ที่เรา อันนี้คือสิ่งที่คนมักจะมองข้ามก็เลยไปคาดหวังจากสิ่งต่างๆนอกตัวบางทีก็หันไปพึ่งดวงดาวนะดูดวงชะตาดูเลิกว่าปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรมันจะดีกว่าปีนี้ไหมอันนี้มองข้ามความจริงนะว่า ปีใหม่เนี่ยมันจะดีได้าะเพราะเราหรือเพื่อถูกต้องคือว่าปีใหม่จะดีได้ถ้าว่าเรานะได้ทำสิ่งดีๆเริ่มจากนะการทำดีด้วยกายของเราึก อ, อย่างเช่นถ้าว่าเรา นะมีความไม่ประมาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทหรือเมาไมา่ปีใหม่ก็ย่อมเป็นปีที่ปลอดภัยสำหรับเราแต่ถึงแม้ว่าในทางตรงข้ามถึงแม้ว่า เขาจะบอกว่าปีใหม่เป็นปีที่ดีสำหรับเรานะดูจากเลิกดูจากดวงดาวแต่ถ้าเรานะขับรถด้วยความเมามมยก็อาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นบางทีก็ถึงตายเลยอย่างช่วงสองวันที่ผ่านมานี่ก็มีคนตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์นี่ จำนวนไม่ใช่น้อยเลยบางคนก็พิการบาดเจ็บมันกลายเป็นปีที่ไม่ดีสําหรับเขาไม่ใช่เพราะเลิกไม่ใช่เพราะดวงดาวไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นเพราะการกระทำนะที่ประมาทหรือบางคนก็ทะเลาะเบาแวงกันเพราะเมามาย ห, หัวร่างข้างแต่ ถ้าว่าทำไม่ดีแล้วเนี่ยนะปีมันจะดีได้อย่างไรนะวันจะเป็นวันดีได้อย่างไรบางคนเนี่ยไปส่งท้ายปีเก่าแต่ว่าปีเก่ายังไม่ทันจะผ่านไปเลยก็เสียชีวิตละเพราะขับรถชนต้นไม้ด้วยความเมาหมาย ขณะที่กำลังจะไปขณะที่กลับมาจากการเลี้ยงฉลองปีเก่ายังไม่ทันจะผ่านไปเลยตัวเองก็จากไปซะก่อนแล้วอย่างนี้มันเป็นปีที่ดีไม่ได้นะแล้วที่ดีที่ดีไม่ได้เลยมันก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ทําดีมันทำดีในที่นี้เนี่ยก็มาถึงการ มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นรวมทั้งทำดีต่อสุขภาพด้วยนะถ้าว่าไม่ดูแลร่างกายไม่ออกกำลังกายเอาแต่นั่งเอาแต่นอนกินอาหารตามใจปากสุดท้ายก็ล้มป่วย แล้วมันจะเป็นปีที่ดีได้อย่างไรอย่างตรงข้ามเท่าก็ว่าเราดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะสุขภาพก็แข็งแรงจิตใจก็สดชื่นเบิกบานมันก็กลายเป็นปีที่ดีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอเหตุปัจจัยอื่น เราอยากทำดีแล้วเนี่ยพูดดีก็สำคัญนะถ้าพูดไม่ดีมันจะเป็นปีที่ดีได้อย่างไรนะอย่ามองคนพูดจาหยาบคายหรือว่าดูถูกผู้อื่นบอกว่ากลายเป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ จะพูดจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีคนบันทึกมันจะไม่ใช่แค่รู้แค่คนสองคนแต่รู้กระจายกว้างออกไปก็ถูกต่อว่าถูกด่าทอแล้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวที่เขียนด้วยถ้าพูดไม่ดีเม้นไม่ดีนะผู้คน ก็ลุมประนามมันก็กลายเป็นปีที่ดีไม่ได้นี่ทำดีแล้วพูดดีแล้วเนี่ยใจก็ต้องดีด้วยนะใจดีนี่ก็เริ่มตั้งแต่คิดดีคิดดีแล้วก็ต้องคิดให้เป็นด้วยคิดให้ถูกหรือฉะลาดในการคิดที่พระเรียกว่าโยนิโสมณสิกกรรม นี่สำคัญนะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็มีแบบแผนที่ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็คือมีขึ้นมีลงนะมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์คนกันปีแล้วปีเล่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันในแง่นี้ เพราะว่าโลกและชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องความผันผวนแปลาปรว น, รร อ, นอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยจะ แ, แม้ว่าจะมีความผันผวนในทางลบมันก็ไม่แปลว่าปีนั้นจะเป็นปีที่แย่เสมอไป ปีที่ดีเนี่ยไม่ได้ไหมายความเป็นปีที่ราบรื่นนะเหมือนถนนแปดเลนไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแม้ชีวิตของเราในปีหน้าเนี่ยมันจะมีความขรุขระบ้างมันจะเหมือนกับถนนที่มีหลุดไม่บอมัง่งแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นปีที่ดีได้ถ้าว่าเรารู้จักมอง ดูรู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างที่เคยผู้หยุดเสมอว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรหรือเ่าปฏิบัติกับมันอย่างไรสิ่งแย่ๆก็อาจจะกลายเป็นของดีก็ได้อย่างที่ขณะที่สิ่งดีๆก็จะเป็นของเลวก็ได้อย่างเช่นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ ผู้คนแทนที่จะหรือแทนที่บางคนจะมีความสนุกสนุกสนานกับต้องเจ็บป่วยหรือบางทีล้มตายเนี่ยก็เพราะความประมาทเพราะความเมาหมายบางทีดีใจเพราะว่าได้โบนัส 6-7 เจดเดือนก็เลยฉลองกันใหญ่พอฉลองกันเข้าเกิดเมา ขับรถกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุเรืองบงทีขณะที่ขับรถอยู่นก็ฝันหวานว่าเนี่ยจะเอาเงินที่ได้เนี่ยนับล้านเนี่ยที่เป็นโบนัสเนี่ยจะไปทำอะไรดีจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปซื้ออะไรใจลอยฝันกลางวันพรากฏว่าไม่ดูถนนให้ถี่ท่วนก็ไปขับรถชนคนตายก็กลายเป็นว่าโชคกลายเป็นเคราะห์ ถ้าไม่ได้รับโบนัสใจก็ไม่คงใจคงจะไม่ลอยหรือถ้าได้โบนัสแต่ว่ามีสติกับการขับรถมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโชคก็ยังเป็นโชคต่อไปแตพ่พอได้โชคแล้วเนี่ยหรือได้ลากแล้วใจไม่มีสติมันก็เลยเกิดโทษกลายเป็นเคราะขึ้นมา ใ น, นตรงค่าไม่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะแต่ว่าปฏิบัติกับมันอย่างถูกต้องหรืออย่างฉลาดมันเกิดผลดีขึ้นมาก็ทำให้กลายเป็นปีที่ดีขึ้นมาได้อย่างเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบนะโควิดก็ระบาดหนักมีผู้อยู่คนหนึ่งแกเป็นนักธุรกิจนะ แล้วก็เปิดร้านอาหารเนี่ยตามศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยหลายแห่งเลยนะทำท่าจะไปได้ดีเพราะว่าพอเกิดโควิดขึ้นในช่วงปี 63-64 กี่ก็ต้องปิดศูนย์การค้ารายได้ที่มีเป็นเดือนละสิบล้านนี่หายไปเลยกลายเหลือแต่รายจ่ายนะรายจ่ายเกิดวิกฤตขึ้นมาันที แต่ว่าเราก็ตั้งหลักได้แทนที่บนววไวยตีโพตีภายก็คิดว่าจะหาทางออกอย่างไรพอเอิยมีร้านอาหารที่สแตนอโลนอยู่นอกศูนย์การค้านะก็เลยใช้ร้านอาหารที่ว่านี้ซึ่งมีอยู่หลายร้านเนี่ยนะทำอาหารส่งขายเรียกว่าเดลิเวอรี่แรกก็ทำแต่ข้าวแกง แต่ข้าวแกงมันขายได้เฉพาะเช้าถึงเย็นนะกลางคืนเขาไม่กินกันก็กลางคืนก็เอามาขายข้าวต้มปลาก็ขายได้ขายดิบขายดีนะก็กลายเป็นว่าธุรกิจก็ดีขึ้นไม่ใช่แคร่กรัดเตืองนะมันดีขึ้นเลยก็กลายเป็นว่านวิกฤตโควิดนี่ก็ทำให้เกิดช่องทาง ใหม่ๆทางธุรกิจนั้นแทนที่มันจะกลายเป็นปีที่แยนะ่สำหรับนักธุรกิจคนนี้เนี่ยปี 6, 3, 6, 4ม่ันกลับกลายเป็นปีที่ดีที่ดีได้เนี่ยก็เพราะอะไรนะเพราะรู้จักรับมือรู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้น สิ่งเรลร้ายเนี่ยนะถ้าว่าเรารู้จักมองเนี่ยมันก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้มีพี่อยู่คนหนึ่งนะเาเลี้ยงหมาพุทเดิล่งสี่ตัวนะก็ลรักมากเรียกเหมือนเรีย ก, เ ร, ยกเรียกว่าลูกทุกตัวเลยทุกช้าก็พาไปเดินเล่นในสวนอาบน้ำให้วันละอาทิตย์ละหลายครั้งหาอาหารดีๆมาให้เจ็บป่วยก็อุ้มไปหาหมอ และวมาไปไหนนี่ก็จะต้องกลับมาค้างคืนนะกับลูกทั้ง4ี่ตัวแต่แล้วเนี่ยมีปีหนึ่งนะลูกพุดเดชของเธอเนี่ยก็เริ่มทยอยตายนะต้นปีก็ตายไป1ตัว3ามสี่เนต่อมาก็ตายอีก1ตัวนะบางก็ตายเพราะแก่ชาราบางก็ตายเพราะโรค ราะว่าภายในปีเดอตายทั้ง4ตัวเลยจะเรีเป็นปีที่แย่สำหรับเธอก็ได้นะเพราะลูกทั้ง4ี่ตัวตายหมดเลยแต่แทนที่เธอจะจมอยู่ความโศกเศร้านะเพื่อนก็แปลกใจนะเธอกลับยิ้มแย้มเธอบอกว่าเนี่ยหมดภาระรสักทีเคยมีคนมาขอฉันแต่งงานแต่เขาไม่ชอบหมา แต่ตอนนี้ลูกๆ ก, ก็ตายหมดล้ะฉันก็ได้โอกาสที่จะได้อยู่กับคนรักสักทีแทนที่จะเสียใจนะเราก็กลับมองว่าเออเป็นโอกาสอีกอย่างห น, นึ่งมองอย่างงนี้เนี่ยไอ้ปีนั้นกํไม่ใช ป, ปีที่เลวนะมันก็ เ, เป็นปีที่ดีก็ได้งั้นปีถึงบอกว่าปีปีใหม่มันจะดีหรือไม่มอยู่ที่เรา อยู่ที่การกระทําของเราแล้วก็อยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมองเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยอย่างไรไม่เป็นว่าปีดีจะต้องมีปีที่ดีหมายถึง ม, มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเราแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้ ไม่ใช่แค่รู้จักมองอย่างเดียวแต่รู้จักเกี่ยวข้องปรับตัวด้วยอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยป่วยโรคหัวใจนีโอ้โหก็สึกแย่เลยนะแต่ว่ามาได้คิดว่านี่คือสัญญาณเตือนนะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยไม่ถูกต้องเราทำงานหนักมากไปเราเครียดมากไปเราออกกาลังกายน้อยไปเาก็เลยเริ่มที่จะ ฟิตร่างกายนะออกกลาลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งเริ่มจากวันละไม่กี่ร้อยเมตรเราขยายเป็นวันละสีห้ากิโลเมตรแล้วระหว่างที่วิ่งนี้ก็มีเพื่อนนะร่วมวิ่งที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นนะมูดมิดที่รู้ใจกันการดกานสุขภาพก็ก็ดีขึ้นด้วย จิตใจเขาก็เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ได้วิ่งนีเพราะว่ามันเป็นการเอาชนะใจตัวเองได้เพื่อนที่ดีสุขภาพก็กลับคืนมาหรือดีกว่าเดิมนใจก็ดีด้วยก็กลายเป็นว่าไอ้ความเจ็บป่วยโรคหัวใจนั้นเนี่ยมันกลายเป็นของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักว่าเนี่ยในปีใหม่เนี่ย จะดีหรือไม่อยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่คําพูดที่ดีของเราอยู่ที่การวางใจเป็นและคิดดีของเราซึ่งโดยเพราะาการทำดีพูดดีคิดดีวางใจให้ถูกเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาลอยลอยมันต้องทำมันต้องสร้างมันต้องเสริม ทั่นเทไรให้ปีใหม่ปีที่ดีก็ต้องพยายามทำสิ่งใหม่ใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกับชีวิตของเราทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ฝึกจิตให้ดีกว่าเดิมมันยังเป็นหลัปกประกันให้เกิดปีที่ดีได้แทนที่จะแสวงหา สิ่งเสพใหม่ๆ ห, หรอือครอบค้องสิ่งใหม่ๆที่มาปนเปื้อจิตใจลองนึกถึงการที่เราจะมอบคุณภาพใหม่ให้กับจิตใจของตัวในปีใหม่หรือหรือไม่ก็สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือเรื่องของสุขภาพใจ รวมทั้งการสร้างคุณภาพจิตที่ดีมีสติมีความสึกตัวมีสมาธิแล้วก็รู้จักมองรู้จักเปลี่ยนแล้ห้กลายเป็นดีมันก็จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิตของเราซึ่งจะทำให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีกว่าเดิมและนอกจากการเติมสุขให้ใจแล้วก็อย่าลืมนึกถึงการเติมสุข ให้กับผู้อื่นด้วยนะเดี๋ยวในน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยขณะที่เราหลายคนหรือพรุ่งนี้เนี่ยกำลังมีความสุขกันเพราะมีโอกาสดีๆที่เปิดกว้างขึ้นเราก็ไม่ลืมผู้อื่นในยพาะคนเล็กคนน้อยที่ผ่านเข้ามาในช่วยของเราหรือที่ช่วยทำให้ชีวิตเราได้มีความสุขมีความปกติ ก็จเก่อน เ, เกลือนเขาแต่ถ้าเรารู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นและไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรือในช่วงเทศ ก, กาลแห่งความสุขแต่ว่าทําตลอดปีมันไม่ใช่ดีกับเขาเดียวมันดีกับเราด้วยมันทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะแล้วความสุขแบบนี้มันอยู่ยั่งยืนกว่าความสุขจากการเสพ จ, จากการเที่ยว กินดื่มเที่ยวเล่นก็ให้ความสุขนะแต่เป็นความสุขและเป็นความสุขที่เร็วสัมผัสง่ายแต่ว่ามันก็จางไปเร็วแต่ความสุขจากการทำความดีความสุขจากการช่วยเหลื อ, เ, อ, อเฟอื้อกู้อื่นกู้กูลผู้อื่นความสุขจากการสร้างคุณภาพหมายกับจิตใจมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความสึกตัวอันนี้มาให้ความสุขที่ยั่งยืนกว่า แล้วถ้ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกวันก็จะเป็นวันที่ดีของเราไม่ต้องรอปีใหม่เพื่อที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราสามารถทำให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันดีของเราได้แลถ้าเราฝึกจิตฝึกใจไว้ดีนะเราก็จะรู้สึกขอบคุณนะที่ เราตื่นขึ้นมาพบวันใหม่เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งดีงามเป็นโอกาสที่เราจะได้ชื่นชมพบสุขนะการทําความดีกับการที่ได้เห็นผู้คนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนั้นเราจะไม่ต้องรอปีใหม่ ซึ่งบางทีอาจจะอีกต้องหลายเดือนข้างหน้าแต่ถ้าเราสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันใหม่ได้เราก็จะมีวันดีนเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกวั น, นก็ฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดนะสำหรับการใช้ชีวิตสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วก็ตามธรรมเนียมนะเขาก็ ปรารถนาการอวยพรนะอาตมาก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีพลานามัยให้มีความมั่นคงในวิธีธรรมมีความมั่นใจในความเพียรฝึกจิตให้ตั้งมั่นเจอทุกข์ก็ไม่ท้อเจออะไรใจก็ไม่กระเทือน ให้มีความเจริญในธรรมรักษากายและใจให้มีความสุขความสงบแล้วคอยได้พบความเกษมสารให้ห่างกกลความทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีใหม่เทียถึงนี้ขอเจริญพร